ต่อมาต่อนะครับเปิดไปในอุกรณวิธีหน้าร้อยเก้าสิบข้อที่เจ็ดสิบสาันพชิตพึงกระทําความสำเนียงว่าเราไม่ได้เป็นไข้จักไม่ยืนถ่ายอจจาระปาษาวะเจ็ดสิบสี่บันพชิตพึงกระทําความสำเนียงว่า เราไม่ได้เป็นไข้จักไม่ถ่ายจาระปัสาวะหรือว้วนเขหระลงบนต้นไม้ใบหญ้าที่สด75บันปัญชิตเคยระทำฟาสเหนียวว่าเราไม่ได้เป็นไข้จักไม่ถ่าจาระปัสสาหรือวุ้นเขหระลงในน้ำที่ใช้บริโภกได้น้ำในห้องส้ว หรือน้ำทะเลบริโภคไม่ได้จึงไม่ปรับอาบัติคนะรับพาจุติกาวจอาให้หมดเลยฮนะท่านทั้งหลายสิกขาบทที่ชื่อว่าเสตียาข้าพระเจ้าแสดงแล้วข้าพระเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในเสตียาสิกขาบทตอ้ว่า ท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่2อและข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สาท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์หรือท่านทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จกอาบนในเศษขี้สิษย์ขาบทเหล่านี้ดำนั้นจึงนี่ข้าพเจ้าทรงความข้อนั้นไว้ด้วยอาการอย่างนี้ ใจขยุตแท้จงนะครับเนี่ยมาดูข้อที่เจ็ดสิบสามนะครับบอกว่าไม่ได้เป็นไข้จะไม่ยืนถ่ายปัสสาวะนะนะครับอ้อันนี้ก็ไม่ดีนะชาวบ้านใช่ไหมก็ <c oughs> จะยืมถ่ายปัสสาวะนะคร <c oughs> ับมาดิภาคที่ก็เพิ่งบวชมาแล้วเขาไม่ได้ศึกษาที่มีนะ <c oughs> ไม่รู้นะครับแต่นั้นเจ้าเจมนะ <c oughs> ่ะก็ยืนถ่ายปัสสาวะมาหลายครั้งนะ <c oughs> ผมไม่รู้ แล้วแกยืนถ่ายเนี่ยไม่ได้ยินเสียงนะพอดีได้กลิ่นเอ๊ทำไอ้กลิ่นของมันจากโถนะครับพอมายืนฐานแล้วมันกระเดน็นออกนะมันก็ะเดน็นออกของนหอมนี่ละครับ <c oughs> ไว้อะไรมันเหมืนแถวโถนะข <c oughs> ้ายยืนถานไม่ได้ครับผ่านนี้ไม่ได้อย่างงก็ต้องนั่งนะยองๆ อ, อ, อะไรก็แล้วแต่แม้ว่าจะไปบนรถทัวร์บนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ยืนถ <c oughs> ่ายสามารถยืนถานจะน่าหนังเลยไม่ค่อยมีหรือใช่ไหม <c oughs> เท่ว the, the the Th Th ่าท the Th ่คร sort of ับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโปรแกรมเตยอืมครับทำให้ขาได้ดีอืมครับมันก็เกี่ยวเกี่ยวกับครับอ๋อแต่ที่ประเทศอะไรนะประเทศจีนหรือเปล่าที่ห้องน้ำโหหนักมากเลยที่ปลาลีที่ปลาลีรลฟ์ฟังเขาบอกว่า มัน ก, ก็ว่าเวลาเข้าเป็นห้องน้ําต้องยืนเอามืออย่างนี้เลยนะมันสกปรกมากห้องน้ํำแท้จีนนะครับแล้วก็เข้าถ่ายทัาผมก็ไรู้ใครต่อใครนะออสกปรกเข้าไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะครับไม่ได้ถูล้างข้าวนั่ง น, นะสกปรกอะไรนะต้องโหเข้าเฟทีเขาบอกว่าน้องสาว <c oughs> แก ต, ตอนไปเรียนใหม่ๆนะก็ไปที่ร้านอาหารนครับแล้วแกก็ปวดไงจะห้องนะ คนนี้เขาเขาเคยอยู่เขารู้เขามองว่าเดียวไม่ต้องเข้าหรอกเดี๋ยวไปเข้าที่กับที่พักก็น่ามันจะดีส่วนตัวสะอาดกว่านะครับนี่แกไม่เชื่อแกก็ปวดเยอะนะแกก็ไปครับพอไปเข้า้องน้ํานะออกมากินข้าวไม่ลงเลยนะครับแล้วคราวนี่สมก็บกมากนะกว่าจะมันขึ้นชื่อที่สุดในโอกนะั้นมีประเทศเดียว น, นะที่ห้องน้ําไม่สะอาดเขาแม้แต่เป็นผ้าตากันอะไรก็แล้วแต่นะห้องน้ํำเขาโอ้โหดูไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าปรเทศนี้นะครับที่เขา อ, เอ่าเพราะว่าที่อินเดียดีน่ะนะการทุ่งนากลางอะไรเ <c oughs> มียนีกระจายไปใช่ไหมกระจายเน่ยมันไปอ่านกันอยู่ใน<ด>ห้องนั้นนะครับโอ้โหลาบากเลยค่ะนี่แนะนอกจากว่าเป็นที่พักถึงตัวนั่นเอครับถึงจะดีคร่ะ <c oughs> <ๆ> <c oughs> อ๋อครับอ๋อสบายเขาเป็นอย่างนั้นนะริมว่าอะไรที่แหมืค่อไาครับ้อรักสบก็จะครับต่อไปนะครับนันไม่ได้นอกจากว่ามันป่วยมันทะลักออกมาเองนะป่วยผ้าอะไรบางอย่างนี่นะครับนื่อปอะไร ต่อไปนะครับเราไม่ได้เป็นไข้นะครับจะไม่ถาจลารละภาษาว่าหรือบ้วนเคละลงบนต้นไม้ใบหญ้าที่มันยังสดอยู่นะครับมันจะเขียวหรือไม่เขียวก็แล้วแต่หน้าของมันยังสดกันแล้วกันท่าบอกว่าแม้แต่ถ้าเป็นหญ้าแน่นอนแล้วเห็นสดเขียวใช่ไหมครับแม้ในกิ่งไม้นะหรือว่าล่างไม้ที่มันเลื้อยขึ้นมาบนต้นมาอาบนพื้นดินนี้นะครับนั่นก็ไม่ได้นะครับไปถ า, จ า, ปาวจรละภาษาหรือบ้วนน้ําลายนี่นะไม่ได้ ของน้ำลายนี้สมคบน้ำมูกด้วยนะครับไปสา่งขี้มูกแสนงั้ยนะไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นใบไม้ที่มันหล่นจากต้นมาแล้วนะถึงมันจะเขียวอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับถึงมันหล่นมาจากต้นแล้วเอาที่มันยังอยู่ตรงนั้นนะทำไมใบหญ้าที่มันยังเขียวสดอยู่นะครับเอาว่าสดก็แล้วกันใช่ครัว่าเขียวจังมันสดนะครับมันจะสีเขียวสีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ที่มันยังสดไม่ได้นอกจากว่ามันมันเป็นไข้นะไปนันไม่ได้ะ อนี้เข้าสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เป็นไข้จากไม่ถามวิชาลักษณว่าหรือบ่นเขละในน้ําที่ใช้บริโภคได้บริโภคนี้หมายถึงทั้งใช้สอยแล้วก็ดึกนะครับนีนะ่เอาหน้านี้หมดเลยโดยเฉพาะน้ำในแม่น้ําใช่ไหมเขาจะใช้สอยกันนะครับถ้าเราไปอยู่เขตที่มันอยู่ใกล้แม่น้ําปิงแม่น้ํำไรนะตังอยู่เชียงใหม่บ้างก็อยู่ใกล้แม่น้ําปิ ง, นนะ ง, ง, ค, ปงครับเดี๋ยวได้เข้าไปจะพาไปเชียงแม่น้ําปิง S <S มีสะพานข้าวนะแล้วก็พอไปอยู่ที่ลำปางก็ไปเจอแม่น้ำหวังครับที่วัดวัดมอนนั่นลำปลางใกล้ๆก็จะกล้แม่น้ำหวังนะครับสามารถเดินไปแล้วก็ลงไปอาบ น, น้ำใแม่น้ําได้เลยนั้นถ้าจ ะ, ะอาบแล้วก็ฉีดลงไปเนี่ยเวลาอาบนี่นะไม่ได้นะครับไม่เป็นน้ําทักองเขาใช้อะไรเยอะเลยนะทั้งอาบทั้งซักล้างสิ่งของอะไรนะครับเราจะไปฉีดมั้ไม่ได้ครับอย่างงั้นน้ําดื่มน้ําใช้นะครับไม่ได้เลย แต่ถ้าเป็นน้ําในห้องน้ํามันโถส้วนเป็นอะไรมีปัญหามันมันก็เตรียมว่าอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ถา่านหนูก็ได้เลยหรือว่าน้ําทะเล EN, บริโภคไม่ได้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ฝักอามบัดนะ น, น้ำบริโภคใช้สอยนะครับแต่ถ้าอาผ้าผมว่าไม่เป็นไรนครับมันไม่ทันแล้วนะมาป่วยมากนะครับมันก็จบพิมพ์กำมาดูในหรือว่าบรยาาศนะ ต้งบัญญัติมาจากใครมันย็ปกป็นภาษากีกยน่เรลยสามก็สุดท้ายนะครับอ่าหน้าที่หน้าที่เก้าร้อยสี่สิบสามสามนสี่ิทานครังนั้นภาษากีกเยนแถวจาระบ้งางปสาษาบ้าง รวมก็อธิบายว่าอัอนพิสูจน์ผู้ยืนอยู่ไม่ใช่ผู้อาฆาตไม่ถึงถาวรเจร่าหรือถ่ายภาษาว่าพิสุทธิดาถสาเขไม่เงื่อเือไม่ใช่ผู้อาฆาตยิงถาวรเจร่าก็าดียิงถ่ายภาษาว่วาก็ดีต้องมาที่กฎอาณาบัติก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อต่อไปนะครับสาวัตถินิทานครั้งนั้นพระเจ้าวัตรีถาวรเจร่าบ้างถ่ายภาษาว่าบ้างบ้ว น, น, นเขนล่าบ้าง ลงบนของสมเขียนะครับเอพิสุดาสายความไม่เอื้อเฟื้อไม่ใช่ผู้อาพาธแถาวลจะน่าก็ดีถ่ายภาษาว่าก็ดีพวนเขียนลาก็ดีลงบนของสมเขียต้องบัตรทุกกฎนะครับเนี่ยมีตอนนี้มีอานาบัตรพิเศษนะครับพวกไม่จงใจเผลอไม่รู้มีปัญหานะคไอ้เพราะไม่รู้เมื่อกีน่าจะได้หยู่นะไม่รู้ว่า มันไม่รู้ว่าของส้นเขียวแถวนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ่านลงไปนข้าจะไม่มีนครับอันอาผ่านะครับแล้วของที่ถ่ายลงที่ปัสกาของสนเขียวแล้วไหลไปลดของสนเขียวอันนี้มันเป็นอะไรสมมติตอนแรกเป็นดินใช่ไหมเราปัสสาวะตรงนี้นะครับแต่น้ามันไหลลงไปใช่ไหมไหลลงไปโดนหญ้าโดนอะไรอย่างนี้นะอันนั้นไม่เป็นอาบัตินะครับหรือว่ามันไหลไปเองเอาตอนที่เราถ่ายไปตอนแรกเป็เกณฑ์นะ หรืว่าบาที ถ, ถ้าไม่มีอะไรจริงๆนะครับมันมีแต่เคี้ยวสดเต้นไปหมดมีแต่ทุ่งหญ้าใช่ไหมหาที่ถ่ายไม่ได้ทำํำไงดีหากระาหนังสือพิล์ <c oughs> หรือใบไม้อะไรก็ได้นะครับมาลองก่อนนะแล้วก็ฉีดลงไปตรงนั้นเลยนะครับส่วนมันจะไหลลงไปนี้ไม่เกี่ยวนะครับจิอางตรงนี้อนะได้ครับบ่ถ้ามีจิอเอามือรอง <c oughs> หนักเลยนะเอามือลอง <c oughs> ฉีดใส่มือได้ ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ลองกับพื้นเลยแล้วก็ชินเอาไวโอ๊ยหนักเลยนะหนักเลยนะไปไม่ไหวอาจารย์เขาบอกว่าถ้าไม่โดนผ้าไม่เหม็นหมอเขียวบอกเงี้ยยานะครับไม่เหม็นใชไหไม่เหมอนคอยๆชินตัดเขาจมาทาหน้าทาสีเขาเหมาอนจะแก้สี้าน อย่างโดยสมัยนั้นพิมพภาคพระเจ้าประทําอยู่หนพระเชตวันอารามของนัฐามีดิกาข้าบดีเขตพระนครสาวันจีครั้งนั้นพระเจ้าพัคคีแถวจะลาบ้างภาษาว่าบ้างพุ่นเขราบ้างลงในน้ำชาวบ้านพังเพิ่งต้องอิจฉาบุญนาว่าฉนะิพพ์สมนาเชื้อสายพระศักดิยบุตรจึงได้แถวจะลาบ้างถ่ายปัสาว่าบ้างพุ่นเขราบ้างลงในน้ํา เมือพวกครือข่าผู้บริโภคการเล่าพิสูจน์ั้งหลายทินชาวบ้างคุ่งเพ่งเทอดเต็มบุตนาอยู่บรรดาที่เป็นผู้มากน้อยเสนอต่างก็เพ่งเทอดเต็มพุตรนาแล้กวก็เป็นเส้าติดวง ก, ก็ทรงส่สอท้าทงตีเตรียมภาษาเปอรคีแล้วก็มีสิขาเหมนี้ขึ้นมานะครับขาแรกยังมีพิสูจน์อาภาณ์นะก็สมัยต่อมานะครับก็โดยสมรณแรงพิสูจน์อาภาณ์ที่หมายเรังเกี่ยจอยู่ที่จะถายจะล่า บ, บ้างภาษาล่าบ้างวุ่นเข่ลาล่าบ้าง น, นียนะ จึงกล่บบ า, าวในลักษณะพระเจ้าพระพองค์ก็ทรงทำมีคาถานะครัแล้วก็อนุญาตพิเศษนะว่าเราอนุญาตให้พิสุู้อาภาถาวจรักปัสสาวะพุนเขระก็ดีนลงในน้ำได้นะถาวจรักก็ิปัสสาวะก็ิพุ่นเขร่าก็ดิลงในน้าได้นะแล้วองค์ก็บัญญัติคเป็นคำเต็มๆขึ้นมานะทรงอธิบายว่าพิสุด า, าอาศัยผขไม่เอื้อเฟื้อม่ใช่ผู้อาภา แถวุจระปาษสาวะหรือว่านเขราลงในน้ำต้องบัตุก่อนนะครับอันนี้บัตจะมีอยู่ข้อที่คล้ายกับเมื่อกี้ก็คือ <c oughs> ของที่ถ่ายไว้บนบกนะครับแล้วไหลลงสู่นะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับมันไหลลงไปเองนะนะ <c oughs> จบนะครับมาดูข่าวทีนะ่มา มันยูในค้างๆนะครับหน้าสองแสิบสองนะครับข้อที่เจนะ็ดสิบสามดูคำอธิบายนี่ละนลงครับเพรค้างๆดีใช่หน้าเออเจสิบสามอธิบายที่โตจารักษิขาบท น, นะครับในสิกาบทที่13สิบสามในข้อแห่งอนาบันว่าอาสันจิตจะมีความว่าถ้าพิสุ ก, กำลังไปยังที่กำบังยันข้อสิบสามสิบเจ็ด อ๋อเหรามว่าอะไรนะสิบสามนะเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามเจ็ดบสามอชีพสเจ็มจสามเขานเทมันไม่ใช่ข้างบนนะครับอ๋อข้างอังกฤษใช่ไหอ๋อในสคขาบนที่สิบเจดสิบเจ็ดนะครับไปสามแบบนันนะในข้อแห่งอนาบัตว่าอสังจิตจะมีความว่าถ้าปิสุกาลังไปยังที่กรัดนะครับ กลือเจนาหรือปัสสาวะพัานออกมาเองชั่วไม่ได้แกล้งถ่ายครับถ้าจะฉังยาถ่านหรือ ว, ว่าท้องเสียอย่างมากนะั้นไม่ได้แกล้งมันทละลักมาเองครับอันนี้ไ่เป็นไรนะครับมันจะมีลอกอะไรนะที่ปัสสาวะไหลไม่รู้ตัวนะครับอืมีนะไม่ใช่ท้องร่วงครับมันไหลไม่รู้ตัวนะไม่ยช่หินวานครับผมก็เคยเป็นนะเป็นไม่ใช่มานานๆาจะเป็นทีครับ มันไม่มีบอกอาการเลยนะไม่ได้ปวดท้องหมดก่อนนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่มันจะเป็นคนแก่ธรรมดาสมมตนคนแก่นะครับมันเจาะอบบแบบไม่รู้ตัวนะไม่มีอะไรมาเกอนไม่มีนิ้วหมามาเก่อนะครับได้ดีก็เนี่ยมันก็มีลมดันออกมานะครับเออน่ากลัวมากนะผมควรวเกิดไปที่ชุมชนอย่างเนี้ยน่ะแซดเลยแต่นานๆนะครับบางปีอาจจะเป็นทีนะสองครั้ง ไม่รี้เหมือนกันนะแต่ว Donc, ันนั้นที่ไปหาหมอเคียเขาบอกมันมีตัวจุดที่กดแล้วมันแก้ได้ครับสว่าไรไม่รู้ตัวนครับไม่รู้เลยนะไม่ ม, <laughs> <c oughs> ไมี้ิม่ตหมาอะไรบอกเลยนะครับยูดีก็พุ่งเลยไปอ้ครับอ๋อใครลองช้ำรูอ่ะใช่ไหอครับนี่อ๋อครับอืมครับอืม อ่าครับข้างในมันมีปัญหาในสักอย่างนะมันเป็นที่ลมนะถือว่าเป็นที่ลมครับมันมันแดงออกมาอย่างเงี้ยะถ้าอย่างนี้นะไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอับชื้ถือว่าไม่แกล้งถ่ายอ๋อไม่ได้นะไม่ได้อันนั้นถือว่าอ๋อครับ ไอ้กขาผงพันออกมานะล้วก็ไปนั่งเซ้ให้เรียบร้อยนะครับนะครับแต่มันต้องดูที่แล้วนะตรงไหนเนี่ยมันรั่มันออกในน้ำเลยครับครับร่ถ่ายอในน้ไม่เ็ลยอ๋อรในนหรือใช่ไหมครับอ๋อมันจะไม่ต้องล้างที่นั้นเลยใช่ไมครับได้ถ้าได้ครนั้นนะมันออกมาไม่ได้นะมันต้องล้างนะครับตอนนั้นครับต่อไปน้ครับข้อที่เจ็ดสิบสี่ อธิบายหาดิเตลจาลสิกาบทนะครับในสิกาบทที่สิบแปดแมร้รากของต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่นี่ไงโผลขึ้นบนพื้นดินนะครับกิ่งไม้ที่เลื้อยไปตามพื้นดินก็ดีทั้งหมดชื่อว่าของเขียวทั้นั้นในที่นี้มันจะสีเขียวหรือไม่เขียวแล้วแต่เรียกว่าของสดอยู่ก็นด้นนครับแต่ถ้าพิสูจนนั่งบนขอนไม้เนี่ยท้าอจระให้ตกไปในที่มันมีของเขียวกวนอยู่ สมัยตอนเป็นเด็กนะเด็กบ้านนอกเคยนครับคือไปนั่งบนขอนไม้หรือว่าบนกิ่งไม้ก็แล้วแต่ะแล้วก็ถางลไปข้างล่างนะครับอย่างนี้เป็นไรเพราะไม่ได้ถ่ายโดนไอ้กิ่งไม้ขอนไม้ใช่ไหมแต่ถางลไปที่ไม่มีของเขียวนะครับได้ <c oughs> แต่ถ้ามัวแต่หาสถานที่ไม่มีของเขียวนะครับอุจจนะพลันออกมาปวนมากพลักมาเลยนะครับฉันตอนนั้นมีผ้าทั้งฉันอะไรนะสมองไม่ใช่สมอง ไอ้เม็อันนั่นนะ่ะไม่ใช่มะขามป่องอะไรนะชอนมะรุมนะครับใส่ไปในกีมแม่็ดดำก๊าบนึงเหมือนกันนะมันก็ทะลักออกมาไม่รู้ตัวเหมือ <c oughs> นกันไอ้ครับคนที่หมอไม่ทานที่หมอ ก, กระปวดเข้านะทันอยู่ของเขาแต่นี่มีบินทบายพี่แฮงยังบินท บ, บ, บายเนี่ยมันออกไม่รู้ตัวเลยน ะ, นะครับฉันพวนี้เยอะไม่ดีมันเป็นยาถ่าย ไปนะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะั่นเป็นอนาบัตหมดนะครับถือมันละบอกวนะ่ามันไปโดยของเขียวเข้ามานะถือว่าไม่เป็นไรควรอยู่นะครับถ้าเธอมัวแต่หาสถานที่ไม่มีของเขียวนะครับอุจจาระพลานออกมาถ้าอยู่ในฐานในที่สุกค้างถือว่าป่วยเลยนะมันป่วยมันไม่ทานแล้วใช่ไหมถึงจะน้ป่วยนะครับเป็นโรคแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับถึงถ่ายด้วยของเขียวที่นั่นนะ <c oughs> มันหาไม่ได้จิตลจทุ่งหญ้าเต็มนะครับก็ได้ ถึงขนาดแ้ว น, นะในสิขาบทนี้มีอนามบคามขึ้นมาคือพิสูธาุจระและปัสสาวะในที่ไม่มีของเขียววิจระและปัสสาวะนะครับนี่กันนะอะไรไปนในที่มีของเขียวไม่ต้องอาบัดผมก็เจอผมก็แปลกใะจะเห็นผ้าทําไม <c oughs> ท่านเอาอะไรของท่านท่านกำลังซักผ้านะครับท่านเกาผ้าท่ามาลองแล้วก็ถุยล <c oughs> ผมก็มงงไม้ผ้าทำอะไรอย่างนี้นะ โอ้รู้อ่ะตอนนั้นมีแต่ของสกปกเขียวยากเขียวเต็มไปหมดนะครับท่านก็เลยผ้าอะไรมาลองแล้วก็ถุยไปในผ้าแล้วก็น้ําล้างนะนึกกระซ้าอยู่แต่ไม่เป็นไรนี่ครับก็วิธีเลี่ยงไงเราไม่ได้ตั้งใจจะให้นะครับมาไหลาไปที่ไม่เป็นไรนะนะครับแล้วก็ในสถานที่เช่นนั้นถ้าแม้พิสุหาสถานที่ฐานไม่ได้นะครับจะวางท่อนยากไงนี่นะ หรือทอดฟางไว้แล้วนะครับทำการถ่ายจระและปัสสาวะทับของเขียวในภายหลังก็ควรเหมือนกันได้ในสิกขาบุ น, นี้ถึงน้ำมูกก็สงค์เข้ากับน้ำลายไม่ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเราแร ง, งดีแล้วนะจะถูกมันไปตรงนี้นะครับแต่มากลับไปโดยของเขียวก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับถือ ม, มีเจตนาเจอที่ห้านะครับอธิบายอุทเเกออุจาราศิขาบท ในสุขาวันที่สิบเก้าคำว่านัาอุทเกนี้พื้อาพาเจ้าตัดหมายเอาน้ำสำหรับบริโภคเท่านั้นนะครับน้ำน้ำสำหรน้ำใช้นะฮะทีนี้นะแต่น้ำในห้องน้ำและน้ำในทะเลเป็นต้นไม่ใช่ของสำหรับบริโภคจึงไม่เป็นอหัการนะครับได้นะเมื่อฝนตกแองน้ำมีอยู่ทั่วไปพิสุกํำลังมองหาที่ไม่มีน้ำจะถ่ายในน้ำก็ควรนะครับ มีแต่แอ่งน้ำเต้นบนหมดใช่ไหมครับแต่สมัยนี้คนก็ไม่ค่อยไปฉันไปใช้หรอกแอ่งน้ําอย่างนั้นใช่ไหม mm hmm. นะครับถ้าเป็นแอ่งอะไรไม่ได้แอ่งโคอสกะป๋องนี่นะแต่ว่าสมัยก่อนคนเขาใช้ใช่ไหมครับ mm hmm. แอ่งน้ําในป่าในอะไรนะมีน้ําเข้าไปใช่ไหมแต่ถ้าคนเขาไม่ได้ใช้สอนไม่เป็นไรนะ mm hmm. แม้ในสุขาบทนี้นะครับมีอนาบัยเ้อ่มขึ้นมาคือพิสูจทําการถ่ายบนหมกนะครับ อุจจาระหรือปัสสาวะไหลลงไปในน้ำไม่ต้องอา่านบัตรนะครับนัคำที่เหลือในสุขาบททั้งฟูมีเนื้อความชัดเจนแล้วอะไรเอาอนาบัตรนี่มันจะทำนยี่ห้องเมนูนะเอาว่าหรือค่อยกลับมาตอนเย็นกัแล้วกันพอดีมันมีชีดให้ไปทานภาษารนี่ยเขาที่ดีกับอนาบัตรนั่ะนะเวลาอ่านแล้วก็จะได้มองเห็นภาพ น, นะครับไม่แมครับเรื่กาสืปรทาน that h come to e น้ำพ่นป่าเป็นไรน้ำพุ่นป่าหน้าด้เอาความจริงมีอยู่นิดนึงนิดนึงครับเนยนิดนึงพูดถึงน้ำพุ่นป่านะครับในที่นี้พูดถึงอยู่บอกว่าถ้าเป็นน้ำพุ่นป่า <c oughs> ได้นะครับด้วยกันเลยเออเออเออน้ํ <c oughs> นาุ่นป่าแล้วก็น้ําอะไรอีกอย่างนะครับ ใช่ได้เหมือนกันนะก็นี่นี่ไงบอกว่านะครับถึงน้ำมูกนะเนี่ยเพิ่งทราบว่าพิสุจอะอมน้ำนะครับอมน้ำนะและข้ามชานอ้อยเป็นต้นไปบ้วนและชายทิ้งในน้ำก็ได้อันนี้นะบอกว่านะครับได้